นี้ก็ก่อนที่เราจะได้ปฏิบัติกันช่วงบ่ายก็จะพูดธรรมะให้ฟังแต่เป็นธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญสติเพื่อสมาธิเพื่อสติเพื่อสมาธิเ พ, าธเพื่อปัญญาเรามองไปเห็น เรามองไม่เห็นว่าสติของเราโตขึ้นมาหรือยังเรามองไม่เห็นว่าสมาธิของเรามันอ้วนขึ้นไหมเรามองไม่เห็นว่าปัญญาของเราเนี่ยมันอ้วนพีขึ้นยังเราเห็นแต่พุงเราที่มันโตขึ้นโตขึ้นหลวงพ่อบอกว่ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าสมาทานศีนเดินจงกรม แต่เราก็ยังไม่เห็นว่าอันนี้คือการพัฒนาสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เห็นว่าสติก็เราโตตังตอนไหนสมาธิโตขึ้นยังปัญญาโตขึ้นแล้วยังพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลักษณะไว้ให้เราตรวจอถ้าเรายังแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียว เช้าขึ้นมาก็ทำวัดเช้าวสวดมนต์เย็นมาเราก็ทำวัดเย็นสวดมนต์ทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันหลังจากนั้นเราก็สมาทานศีลด้วยตัวเองพอทำวัดเช้าเสร็จเราก็วิรัตศีลสมาปานาติปาตาเวรมาณีศิกาปะทังสมาธิยามิและเราก็รู้ความหมายในการสือศีลสมาทานศีลด้วยตนเอง ว่านี่คือการหดเว้นจากการฆ่าการเปลี่ยนเบียนชีวิตทั้งห้าข้อเราเข้าใจความหมายหมดเพราะนั้นเช้าเราทำวัดเช้าเสร็จเราก็วิรัตศีลห้าข้อทำวัดเย็นเสร็จเราก็วิรัตศีลห้าข้อไปเรื่อยๆเสร็จจากทำวัดเราก็นั่งสมาธิบางคนก็พุทโธบางคนก็รู้ลมหายใจบางคนก็พองนอ้อยุบนอบางคนก็ทัศมาอารังบางคนก็เคลื่อนไหวทำไปหนาที10นาทีทำไปเรื่อย พอทําไปทํามาแล้วมาอยู่มาวันหนึ่งอ่ะเราก็ใช้ชีวิตโดยปกติเราเกิดความละอายรังเกียจความไม่ดีที่มีในใจของเรานี่มันมาแล้วนั่นแหะมันมาแล้วมันมาแล้วทีนี้อ้าวตั้งใจฟังกันเลยเสร็จแล้วก็นั่งเราไม่รู้ว่า สติสมาธิของเรามันมีเพิ่มมีกำลังไหมเราก็ไม่รู้ทีนี้เรามาดูนักมวยเดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมันโดนรังแกเป็นเด็กผู้ชายเดินไปไหนบางทีคนอื่นก็ก็ตบแก้มชกหน้าเตะขาเตะลำตัวเจ็บโอดโอยลม้มลิกกุ้มลุกลุกักน ทีนี้ไปเจอคนคนหนึ่งไอ้คนคนนี้บอกว่าให้มานี่เชาววา้าว่างเปล่าบอกว่างว่างมานี่มากับลุงมาเอ <Okay. S 1> ไปไหนไม่ต้องไปไหนหรอกสนุกกันนี่เจ้าเชา้ามาไปวิ่งเจ้าเชา้าวิ่งสองสามกิโลวิ่งปุ๊บปุ๊บ๊๊บบบบ๊พอวิ่งเสร็จเองว่างเปล่าว่างทงําไมลุงเออมานี่มานี่มานี่ไปถึงก็ให้มันเตะกระสอบทรายเตะเตะเตะเตะมันก็เตะสนุกดี เอาเตะกระทบสายเสร็จเองว่างเปล่าวาวทอยเอามามามาอาเช็คเป่าล่อเปล่าให้มันชกเปล่าตีเข่าเตะตีเข่าต่อยหลังจากนั้นเราก็ต่อยลุงก็ต่อยมันมั่งให้มันหลบหลบเตะต่อยเงี้ยพอตกเย็นเอ๊ะไปไหนบอกว่างไหมว่างว่างมาไปวิ่งกันวิ่งเสร็จแล้วก็ให้กระโดดเชือกแล้วก็ให้ชกลมให้ก็ชวนสนุกวิ่งสนุแล้ววันหนึ่งมันเดินไปที่เดิม มีคนตบมันพอตบมันปั๊บมันหลบฟุ๊บเอ๊ยมันหลบได้ไงวะไม่ได้ตั้งใจจะหลบนะพอก็ตบปั๊บมันหลบปุ๊บพอก็จะเตะก็เตะด้านฝ่ามันยกขาซ้ายแล้ก็เตะขาขวามันยกขาซ้ายรับเตะขาขวามันยกขาซ้ายเตะเตะขาเอาขวาเตะขาขวาเตะมันยกขาซ้ายรับปุ๊บปุ๊บเลยแล้วก็ไม่มีอาการโกนกตกใจมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งแต่เดิมนี่เตะปั๊บลมกลิ้งเลย ไอ้นี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าองค์ความรู้เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมาเราเรียกว่าวิชาหมวยเห็นไหมเรียกว่าวิชาหมวยมันเกิดขึ้นมาเองเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมทีนี้การภาวนา <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่ฉันใดการภาวนาคืออะไร คือการฝึกฝนอบรมภาวนาในภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าพัฒนาอพอพาพาพรับพเป็นพอพานนั่นแหละเรียกว่าพัฒนาคือการฝึกฝนอบรมให้มันจเจริญขึ้นซึ่งแปลว่าจเจริ ญ, ญจเจรนินจะเริญอะไรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญแล้วมันเจริญไปยังไงอ่ะก็มันอยู่ในรูปแบบขององค์ธรรมรูปแบบขององ ค, ความรู้ที่เรา ดูไม่เห็นแต่เราจะสัมผัสเขาได้ในชีวิตจริงงั้นเรามานี่เรามาเพื่อฝึกตนฝึกฝนอบรมเพื่อให้สติสมาธิและปัญญามันจะเริญนและเราไปรู้ตอนไหนเราไปรู้ในตอนใช้ชีวิตจริงของเราที่นี่จึงเป็นสนามฝึกเหมือนทหารนะ เขาเอาใครไปลูกมาถึงก็ไปฝึกฝึกฝึกฝึกอยู่หกเดือนฝึกการใช้อาวุธฝึกการหลบฝึกการรุกวางแผนการรบฝึกอยู่ในสนามฝึกนั่นแหละเสร็จแล้วเอาไปปล่อยในสนามจริงในสมุรภูมิรบไอวิชาในการรุกการรับการหลบวางแผนยุทธวิธีทั้งหลายที่มันเกิดเกิดเกิดมันมาอย่างไหน มันมาจากการฝึกอืมนี่แต่เป็นทหารเอารับเกณฑ์คนเข้ามาเป็นทหารมาถึงไม่ต้องฝึกเอาอาวุธให้มันเอาอาวุ ม, มันมัวไปแต่หาวิธียิงอยู่มันก็ตายแล้วใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นสนามฝึกสนามจริงทหารที่เก่งชนะในสนามฝึกในสนามจริงได้ต้องผ่านสนามฝึกก่อนเหมือนเรานี่แหละวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอน ใหเอาร่างกายและจิตใจนี้ที่ยังมีอยู่ยังตั้งอยู่ได้เนี่ยเป็นตัวในการฝึกฝึกไปเรื่อยฝึกยามดีดีฝึกยามที่ยังไม่มีอะไรฝึกยามนี้ฝึกไปเรื่อยฝึกใหสติสมาธิปัญญาแล้วมันเจริญเมื่อของจริงปรากฏคือความทุกข์ความทุกข์จะปรากฏในสนามจริงเนี่ยพอความทุกข์ปรากฏสติสมาธิและปัญญาก็จะออกมาได้ คนนิสัยสันดานแย่ๆมีไหมในนี่มีไหมเรามีนิสัยสันดานแย่ๆไหมฮะไม่มีประเสริฐทุกคนแหละ <c oughs> นิสัยสันดานแย่ๆของเราเนี่ยนั่นน่ะคือของจริงแต่เวลาเราฝึกเวลาเรารู้ลมหายใจก็ดีรู้ในการเคลื่อนไหวของเท้าก็าดีไอรู้นั่นน่ะมันเป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นรู้ที่ไม่มีตัณหามานาทิฐิเลย เป็นรู้ที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นรู้ที่ไม่ว่าร้ายใครมันรู้อยู่อย่างนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆก็จะตกมาเป็นสติและสมาธิและปัญญาขึ้นที่จิตของเราไอ้รู้อย่างเนี้ยมันเป็นในสนามฝึกแต่ครั้นออกไปไอ้นิสัย ส, สันดานของเราที่มันแย่แย่มีอยู่แต่เดิมอะเช่นขี้อิจฉาริษยาขี้โกรธขี้เจ้าขี้พยาบาท อนิดหน่อยก็ไม่ได้จ้องเพ่งเพ่งโทษคนอื่นก็เป็นนิดอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอุปกิเลสทั้งหลายอยู่ที่ใจเนี่ยเวลามันจะเกิดจะเกิดจะเกิดจะเกิดไอส้สติสมาธิและปัญญาพวกนี้แหละมันจะเป็นตัวมากั้นกั้นระหว่างจิตกับเราจิตของเรากับสันดานของเราที่มีเนี่ยก่อนที่มันจะไปเกิดเมื่อกระทบปั๊บมันจะเกิดกระทบปั๊บมันจะเกิดกระทบปั๊บมันจะเกิดสติสมาธิและปัญญาที่มีอยู่มันก็จะกั้น กันให้จิตเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของไอ้ตัวนั้นแต่วันไหนที่เราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเวลาเราไปเจอในสนามจริงบัวสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราก็เป็นไปเองอ น, นี่เป็นองค์ธรรมถ้าไม่ฝึกไม่ได้ถ้าไม่ฝึ ก, ไ ม, ไ, ไ, มกไม่ได้หรอกงั้นห่างเหินจากการฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่า การเคลื่อนไหวอยู่ในโลกเนี่ยตัวที่มันเดือดร้อนของเราก็คือที่เราควรจะมีหมายควาว่าเวลาเราเคลื่อนไหวในโลกตัวที่จะทำให้เราดูแล้วดีต่อจิตใจเนี่ยอานาพิชารุวิหาริยะอัิยาปันเดนะเจตโซสโตเอกาจิตตสัอจชตังสุสมาหิโต อ น, นัพิชารุวิหารยะก็คือความเพ่งเล่งนี่ท่านใช้ว่าอ น, นัพิชารุหมายความว่าไม่เพ่งเล่งอ น, นัพิชารุวิหารยะคือเราจะต้องอยู่ด้วยความไม่เพ่งเล่งไอความอยากความต้องการความปรารถนาที่มันฮอกออกมาบนความอยากนั้นอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าความเพ่งเล่ง ความเพ่งเล็งนี่มันมันเยอะเหมือนกันเคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนเราทอดแห่เนี่ยเวลาทอดแห่ปั๊บคนทอดแหร่รู้จักไหมทอดแห่เกิดที่ไหนรู้จักเปล่าไอ้หนไม่รู้จักทอดแห่ <c oughs> นี่เคยทอดแห่ไหมไม่เคยโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแย่ yeah. ทอดแหแต่ว่ารู้จักแหใช่ไหมคนทอดแหในี่ดูนะหลวงพ่อจะเวียงให้ดูก็จับอย่างเงี้ยกูเวียงลงไปในน้ำเสร็จแล้วไอ้ปลายแหเนี่ยเขปล่อยไปเงี้ยทอดแหเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องดำลงไปลงไปในน้ำเพื่อไปตบตีนแหที่ตีนแหก็จะเป็นลูกลูกเหล็กตะพ่วนเหล็กอยู่ตามกอบแห่เออเราก็จะต้องโดดลงไปเสร็จแล้วก็ตบตบตีนแนใหให้มันเรียบสนิทกับพื้นดิน เพื่อปลาที่ติดแหจะไม่ได้หลุดรอดออกมาพอตบตีนแหเสร็จแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคืออะไรก็ต้องตบเข้าไปในตีนแหไอ้ตบเข้าไปในในตาข่ายแผลเบาๆเพื่อดูว่าไอ้ตัวใหญ่อยู่ตรงไหนมั่งตบตบตบพอเสร็จโอ้โหไปเจอไอ้ช่อนตัวใหญ่ไว้พอเจอตัวใหญ่ปับ๊บเขาไม่ปล่อยไว้นะเขาจะเอามือข้างนี้จับปุ๊บ แล้วมืออีกข้างหนึ่งก็จะสอดไปใต้ใต้ตีนแหแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็จับปุ๊บลงนึก ด, ดูว่าตรงนี้ได้ตัวใหญ่ใจจะเป็นยังไงฮะดีใจใช่ไหมเนี่ยเหล็งแล้วเล็งแล้วพได้ปุ๊บก็ดึงตัวนี้ออกมาดึงออกมาเพื่อที่จะเอามาใส่ ใส่ข้องใส่กระจะอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่พอดึงมาปับ๊บมันหลุดหลุดแล้วใจเป็นไงเสียดายเพราะไอ้ตัวใหญ่นี่แหละทีนี้มันก็ไม่ไม่ไม่สนใจแล้วขึ้นมาข้างบนจับเชือกสาวแหแล้วเวลาสาวขึ้นมานะโอ้โหปลาเยอะมากเลยตัวเกือบเท่ากับตัวที่หลุดไปด้วยนะ แต่ไอตัวเล็กตัวน้อยติดเต็มแหเลยรึงมั้ไม่มีกระจิกระใจเซ็งกระตายไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความรู้สึกดีใจเลยดึงมาเสร็จเก็บปลาใส่ข้องจนเต็มข้องนั่นแหละหมากแบกแล้วก็ใครชวนคุยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยใจอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไอช่อนนั่นน่ะเดินผ่านไปเพื่อนก็ชมโอ้ยพี่วันนี้ได้เยอะเลยนะโอ้โหแต้ตัง ไม่คนอื่นเขาดีใจเกือบตายที่ตัวเองถือไปแต่ตัวเองไม่เคยรู้สึกดีใจเลยเพราะใจมันไปเล็งอยู่กับไอตัวนั้นกลับไปถึงบ้านโอ้โหพันรยาลูกเมียกลับมาถึงก็ทํากอบข้าวที่เหลือก็แจกคนข้าวข้างโอ้โหดีอกดีใจกันใหญ่แถมขายได้ตังค์ด้วยนะมาถึงเอามาให้ตัวเองกินไม่มีความสุขกับการกินหมดอะไรตายอยากเพราะใจมันมัวแต่นึกถึงอะไรเออนั่นนหะ อ, น, น, พอนพิชาอภิชาลุมันอยู่ด้วยความเลงเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยหรือที่ทำงานสภาพชีวิตเรานี่ในครอบครัวเราเป็นอย่างไรแล้วดูสิเรามีบ้านมีรถมีคนในครอบครัวมีรายรับรายจ่ายที่พออยู่ได้แล้วเรามมีหมดอ่ะแล้วเราเป็นเลงอยู่กันอะไร ฮะพอวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าอย่ามากวนฉันนะฉันจะนอนทำไมอะเพื่อฝันเลงอยู่ไหมเลงอยู่ขับรถร ถ, รถตัวเองขับอยู่ดีๆอยู่แล้วขับอยู่บนถนนมีรถคันหนึ่งสวนมาโอ้ยวันสวยด้วยเลงอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วกำลังจะขายรถไอ้คันนี้ ไม่พอต้องเอาที่ไปเข้าแบงอีกอะไรอีกเพื่อเอาไอ้คันนั้นออกมามาจากไหนมาจากความเรลงไหมมาจากความเลงรายรับรายจ่ายปกติเศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยเขาต้องมีสามรายมีรายรับรายจ่ายและรายรายอะไรมีอยู่อีกรา ย, รายเหลือเราคืนเดือนเท่าไหร่ก็ช่างใช้เท่าไหร่ก็ช่าง แต่มันต้องวัดกันตรงรายไหนต้องวัดกันตรงรายเหลือถ้าเงินเดือนหนึ่งแสนจ่ายแสนสองไม่มีควาหมายแต่ถ้าเงินเดือนหน้าพันจ่ายสี่พันแปดมีเหลือแล้วใช่ไหมนี่มีควาหมายแล้วเงินเดือนหนึ่งหมื่นจ่ายแปดพันเหลือสองพันใช้ได้แต่แต่ถ้าไม่มีรายเหลือนี่ใช่ไม่ได้พอมันพอหันมันดูสิ่งที่ตัวเองมีตามความเป็นจริงมันก็บริหารและจัดการได้แต่มันไม่พอเลยมันไปมอง มองสิ่งซึ่งไม่ใช่เกิดจากความเหตุอันสมควรมันก็เป็นการเล็งหมดอ่ะวันสิ่งแรกเลยเราจะต้องเอาสติสมาธิและปัญญาของเราดิอยู่กับชีวิตปกติเราโดยไม่มีความเล็งเหมือนนิสัยพวกที่ชอบชอบปปิ้งอ่ะไม่รู้ตัวเองจนจะตายอยู่แล้วแต่เห็นเขาเซลไม่ได้นะ ยอมอดนะเออแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจเจริญสติสมาธิปัญญานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปเห็นก็ติดป้ายเซลล์ห้าสิเปเซ็นเฉยเลยมันเฉยได้ยังไงก็สติสมาธิตัวนี้มันเป็นตัวช่วยลดความเล็งออกไปลดความเล็งลงได้นี่เยอะเลยแหละตัวที่สองอภยปันเดนะเจตโซ มีใจไม่พยาบาทเราทุกคนที่อยู่ในชีวิตปกติไอความเลงเกิดจากความถูกใจชอบใจแต่ความพยาบาทเกิดจากความไม่ถูกใจเราอยู่ในบ้านมีครอบครัวหนึ่งมีห้าคนเราจะมีความไม่ชอบใจจะไม่ต้องจะมีความไม่ถูกใจบางทีคำพูดของพ่อของแม่เราก็ไม่ถูกใจคำพูดของพี่ของน้องเราก็ไม่ถูกใจเพราะมันไม่ถูกใจสักเรื่องหนึง่ง เช่นว่าเราเราเคยกินแก้วกาแฟแก้วนี้อยู่ประจําพอเช้าขึ้นมาเอาใครเอาแก้วเราไปกินเอาพี่สาวเอาไปเกิดความไม่ถูกใจผมไม่ถูกไม่ชอบใจแล้วใช่ไหมมันเล็งด้วยอํานาจของความไม่ถูกใจพอเล็งด้วยอำนาจของความไม่ถูกใจมันก็ไม่ถูกใจไปหมดพอเขาเดินลง ม, มาเขายิ้มให้อหนุไม่รู้สึกตัวนะเขายิ้มให้อย่างโอ้ยอบอุ่นเลยอนี่นาความ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ย พยาบาทมาแล้วพอเขาเดินมาอีกเกิดจากที่ว่าเขาเอาแก้วเราไปเห็นแก้วสึกหลอมันไม่สึกหล่อหรอกเขาชวนคุยด้วยไม่คุยพอเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ไอ้ความไอ้ความไม่ชอบใจที่เป็นพยาบาทมันขยายตัวออกมาเป็นความรังเกียจ ไม่เออออด้วยไม่ยินดีด้วยไม่อนุโบทนาด้วยต่อสิ่งดีๆที่เขาทำมันขย้ายออกไปเลยย้ายออกไปเลยไอ้นี้คือสิ่งที่จะหายไปถ้าเราจะเริญนสติฝึกผลสติทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนี้เราก็พิสูจน์ได้เพราะว่า สติสมาธิและปัญญาจากการเจริญสติอย่างฝึกฝนอย่างถูกต้องอบรมอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมีกําลังอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะละลายอัตตาออกไปมันยังมีอตตาอยู่นะแต่มันจะละลายออกไปพระเจ้าบอกว่าอภิยาปเดโนเจตาโซมีใจไม่พยาบาทความหมายของคาว่ามีใจไม่พยาบาทคือว่าน้ําใจมันเพิ่มขึ้นน้ําใจตัวนี้คืออภัย มันพร้อมที่จะอภัยตลอดเวลาเขาเอาแก้วกาแฟเราไปกินเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราจะยังไงเขาารู้ว่าไปแก้วของเราเขาถึงกล้าาถูกไหมเขารู้ว่าแก้วเราพขาึงกล้าาถ้าเขาไม่รู้ว่าแก้วเราเขาอาจจะไม่เอาก็ได้พอเขาออกไปเสร็จเนาะเอาแก้วฉันไปเหรอเออเดี๋ยวเสร็จแล้วล้างให้ฉันด้วยนะแค่นั้นน่ะมันก็จบ และก็สามารถที่จะรักกันได้ด้วยมันพร้อมที่จะอภัยอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ผูกอะไรเข้าไปกันในนี้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะมีเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นปอกมะม่วงเนี่ยกลับมาจากธรรมานได้เหยียบเลือกมะม่วงลื่นล้มอยู่กันลูกสี่ห้าคนอยู่กันมาลูกสี่ห้าคนแล้วนะนะเหยียบเลือกมะ ม, ม, ม่วงลื่นล้มพอเดินบืกนกระวนกนเห็นภรรยานั่งกินมะม่วงอยู่ ต่อว่าภรรยาตัวเองว่าไปตําปืดมะม่วงลงตัวเองล้มลงในเจ็บใช่ไหมไอ้ภรรยาไม่ได้ปอกเองหรอกให้คนคนทํางานบ้านปอกให้แต่ว่ากินมะม่วงอยู่จริงแต่ไอ้คนที่เหยียบล้มนี่เข้าใจว่าภรรยาเป็นคนปอกมะม่วงแล้วล้มแล้ะทําให้ตัวเองเหยียบลื่นล้มไม่เก็บก็ไปต่อว่าไอ้คนนั้นก็สวนกลับมาเพราะตัวเองไม่ได้ปอก อันนี้ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็เถียงกันไปเถียงกันมาทีนี้ก็เริ่มขุดเรื่องอื่นๆขึ้นมาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาไม่ เ, เรื่องอยากันเลยนะเพราะเศษมะม่วงที่สาวพมา่ามันปลอกทิ้งไว้ <c oughs> อยู่กินกันมาลูก4ี่ห้าคนไอ้พวกนี้จะหายไปถ้าเราจเจริญสติสมาธิแล้ว แบบนี้ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและการเกิดขึ้นมันสองทางในส่วนที่เป็นกุศลนะหนึ่งวิวัตตคามิหนีวิวัตตคามินีมนหมายความว่ามันยังหมุนในสงสารวัตรนี่แหละแต่มันจะหมุนในทิศทางของสุขติถ้าอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่เดือดร้อนด้วยความเลงจะมีใจไม่พยาบาท พร้อมที่จะอภัยมีน้ำใจเกาเกี่ยวกันมีความสุขทิเทวธรรมเบสุขขังวิหรติจะอยู่กันอย่างมีความสุขในปัจจุบันอวิคาตังไม่เดือดร้อนอนุปยาสังไม่ขับแคนอปริลาหังไม่เดือดไม่ไม่เร่าร้อนกายสสะเพดาปารมรณาสุขะติง ปฏิกังขาเมื่อร่างกายแตกคือตายก็จะมีสุคติเป็นที่หวัง ม, วมันเป็นวัตคาไม่มีปฏิปทาคือเป็นเส้นทางในสายที่ยังหมุนวนอยู่แต่ดีงามแต่ถ้าเราไม่ฝึก <c oughs> ไม่พัฒนาสติไม่เจริญสติ ไม่สังสมสมาธิไม่สังสมปัญญาไม่ภาวนาปล่อยให้มันเป็นไปตามกิเลสชาติเหมือนอย่างที่พูดบัวเช้าอยู่ในเส้นทางสายนั้นวัตคามินียเป็นนี้มันก็จะหมุนอีกเหมือนกันแต่เป็นหมุนของอกุศลก็จะเป็นทิเทวะธรรมเบทุกขังวิหารติจะอยู่แบบจะอยู่ด้วยความทุกข์ นี่ในครอบครัวทุกไหมไม่ค่อยทุกข์มากนะจะอยู่ด้วยความทุกข์และจะมีลักษณะของอะไรสักคาตังเดือดร้อนสะอุปยาสังคับแค้นสะปริลาหังเร่าร้อนอยู่ข้างนอกสนุกสนานโอยพอเข้าบ้านเห็นหน้าลูกหน้าเมียมัน กุ๊มพ <c> อ <oughs> อยู่ข้างนอกกับเพื่อนกับฝูงกับใคร ก, ก็แล้วแต่แหละแม้กระทั่งเดินผ่านรั้วบ้านก็มาเจอหมาเจอแมวโอ้ยลูกโอ๊ยโอ้ยโอ้ออพอเจอหน้าเมียหน้าหน้าหุบมันมันเร้าร้อนไปหมดนะ <c oughs> แล้วกายศึกษาพดาปารมโรนาาทุกกติงปฏิกังคา เมื่อตายก็จะไปทุกติครบรอบก็มันอย่างนั้นนะ่ะนี่คือผลของการภาวนาทีนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้เพราะมันข้ามไม่พ้นความเห็นที่จะให้เห็นและมันเกิดความข้ามพ้นมาว่า เรายังไปติดอยู่กับว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้มันเกิดเกิดวิชาและศาสตร์ต่างๆขึ้นมาในโลกเพื่อให้คนเข้าไปแข่งขันแย่งชิงกันเป็นเศรษฐศาสตร์เพื่อแย่งเรื่องเศรษฐกิจรัฐศาสตร์นิติศาสตร์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพื่อที่จะแย่งกันคนที่ไม่มีวิชาเหล่านี้ก็จะต้องไปทุจริตหรือคนที่มีวิชาเหล่านี้แล้ว เพื่อจะให้ได้ชนะคนเหล่านี้ด้วยกันก็ต้องทุจริตต้องทุจริตเท่านั้นหารู้ไม่ว่าเมื่อทุจริตมันเป็นวัตคามินีปฏิปทาควายอกกุศลที่จะให้ผลเป็นสักค า, าตังสวิคาตังคือเดือดร้อนสอุปยาสังคับแ้นแน่นอกเรือกจะเกิดอันตราย สัพปริลาหังเล่าร้อนกายัสสะเพดาปรมรณาทุกติงปฏิกังขาตายไปก <met> ็ไปทุกติทุก <sm> ต <riding> ิมีอะไรมั่งอะฮะเอาสิเอาสิเอาสิเอาสิดีเลยฉัน ไม่ต้องเรียกแล้วเอาไม้ครบกัแล้วกันฮะเออเออแล้วทูาเจ้าว่าพวกนี้ยังเป็นอยู่นะเอวังนิรเยนิกิโตเหมือนถูกจับไปขังไว้ในนรกมันมีแต่ความเร่าร้อน แม้มีเงินมีบ้านมีทรัพย์สมบัติแต่มันเร่าร้อนมันไม่สุขมันขับแค้นซึ่งมันต่างกันกับเราฝึกอบรมจิตของเราให้อยู่ในเส้นทางของคุณชาติที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้สติสมาธิ ปัญญาของเรามันมีกำลังขึ้นมาสติอ้วนขึ้นสติพอราฝึกอบรมอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอบรมประจำประจำเนี่ยและเราไปทํอยังไงเราไปอ่านใช่เราไปฟังล้วนแต่เป็นอาหารของสติหมดเลยนะเมื่อเขาตั้งขึ้นแล้วหมายความว่าต้นสติที่ถูกต้องถูกปลูกไว้แล้วหลังจากนั้นเราไปอ่านเราไปฟัง เราไปเห็นแล้วเกิดมนัสสิการเกิดโยนิโสมนัสสิการโยนิโสมนัสสิการที่เกิดขึ้นจากการอ่านจากการฟังจากการเห็นจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวันล้วนแต่เป็นอาหารของสติทั้งสิ้นเลยล้วนแต่เป็นอาหารของสติทั้งนั้นโยนิโสมนัสสิการคืออะไรรูป้ป่ะฮะ นะเอออะไรนะการรู้อย่างแยกคายโยนิโสแยกคลายคือดีดีใ ช, ใช่ไหมแยบคลายคือดีมานสิการแปลว่าฮะมานัสสิการทําไว้ในใจโยนิโสมานสิการนแปลว่าทําไว้ในใจอย่างดีอย่างดีงดนั่นคือคิดดี ถูกป่ะเออเออเวลาโยนิโสมนัสิการหมายถึงว่าการทําไว้ในใจอย่างแยบคายคือการพิจารณาใคร่เครือนใคร่ควรถึงโยนิโยนิคือเหตุของมันที่เกิดอ่ะที่เกิดที่เป็นความจริงของมันของต้นของเรื่องของมันประคิดถึงที่เกิดพิจารณาใคร่ครวนถึงที่เกิดพิจารณาใคร่ครวนถึงที่เกิดพิจารณาใคร่ครวนถึง ค้อเท็จจริ ง, จ ร, งจริงของเรื่องมันก็จะตกมาเป็นข้อคิดไอ้ข้อคิดที่เกิดล้วนแต่เป็นอาหารของสติทั้งหมดเลยเราดูหนังเรื่องหนึ่งคนที่มีต้นสติอยู่ที่จิตปลูกไฟแล้วจากการภาวนาไปดูหนังดูละครก็จะได้ข้อคิดใช่ไหมไอ้ข้อคิดนี้ก็จะมาเป็นอาหารของสติอ่านหนังสืออันวรรณคดีหรืออ่านอะไรก็ช่าง แล้วมันอ่านไปอ่านมาเออได้ข้อคิดข้อคิดนี้ก็จะมาเป็นอาหารของสติเดินทางไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันแล้วก็เกิดเป็นข้อคิดขึ้นมาข้อคิดก็จะมาเป็นอาหารของสติข้อคิดที่ดีจะเป็นอาหารของสตินี่เพราะฉะนั้นไอ้พวกข้อคิดเหล่านี้มันก็เหมือนการลดน้ำใส่ปุย๋ยต้นไม้ที่เราปลูกไว เข้าใจไหมเมื่อเราปลูกต้นสติตัวนี้ที่ชื่อสติปฐานเนี่ยเราปลูกไว้แล้วจากการอบรมภาวนาอย่างนี้แหละบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราปลูกไว้แล้วก็มีศรัทธาเป็นตัวเลี้ยงมีศรัทธามีฮีริมีโอตปะมีความเพียรเป็นตัวหล่อไว้หล่อเลี้ยงไว้เรียกว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ยังเขียวชะอุ่มอยู่ในนี้เราก็ไปลดน้า ใส่ปุ๋ยรวนดินตกแตง่งมันก็มีแต่จะโตโตโตโตเข้าใจไหมออการรด น, น้ำการใส่ปุ๋ยพวกนี้ก็คือการที่เราเจอจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ตกมาเป็นข้อคิดเข้าไปเป็นอาหารของสติรั้นการฟังการอ่านการหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆนี่สําหรับคนที่มีต้นสติที่ปลูกขึ้นแล้วก็จะทําให้สตินี้เจริญเติบโตขึ้นที่ เขาึงบอกให้ครบบัณฑิตเพื่อที่ได้ความรู้ให้มาเป็นข้อคิดแต่มีไหมไอ้สำนักใหญ่ๆที่มีบัณฑิตยอยู่เต็มสำนักอ่ะที่คนบางคนไปอยู่แล้วไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรเพราะมันไม่ได้ปลูกต้นสติไว้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเยาวชีวมจิเยบาโลบัณฑิตตังปริยุปาสติ นัโสธรรมังวิชานาติทพิสูปะระสังยถาว่าคนโง่เนี่ยคนโง่ในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่ได้มีต้นสตินะไม่ได้ฝึกฝนอบรมสติคนโง่แม้นอยู่กับบัณฑิตตลอดชีวิตนัโสธรรมังวิชานาติจะไม่มีโอกาสรู้ธรรมเลยทปิสูปะระสังยถา เหมือนอะไรเหมือนทัพพีที่ไม่มีวันจะรู้รสของแกงอืมนั่นไอ้สำนวนนี้เคยได้ยินใช่ไหมทัพ<ช>พีไม่รู้รสแกงมาจากภาษาบาลีเป็นพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสนะทัพพีสูป ร, ะระสังยะถาเหมือนทัพพีที่ไม่มีวันจะรู้รสแกงตักแกงอยู่ตลอดชีวิตการใช้งานของมัน แต่มันไม่เคยรู้ไว้รสเวียวหวานมันเค็มอย่างไรไม่มีซึ่งแตงกันต่าง ก, กันกับคนที่มีต้นสติที่ปลูกขึ้นอืพระพุทธเจ้าบอกว่าชิวหาสูประระสัญยาถาอะพวกนี้จะเหมือนอะไรเหมือนลิ้นชิวหาสูประระสัญยาถา เหมือนลิ้นที่ไวต่อการรับรู้รสของแกงและเรื่องพวกนี้ถ้าคนที่ไม่ฝึกสติไม่เจริญสติจะเกิดขึ้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนสมัยพระพุทธเจ้าเชตะวันมหาวิหารเคยได้ยินใช่ไหมใครเคยไปอินเดียไม่เคยไปแต่เคยได้ยินเชตตวันใช่ไหมโอ้โหใหญ่โตมากเต็มไปด้วยบัณฑิตมีใครบ้างในประเทศตะวันเนี่ย นี่ถ้ารงโยมไปเนี่ยปุ๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก็เป็นอริยะไปแล้ว <c oughs> ในประเทศตะวันมีใครมัง่ง <c oughs> พระพุทธเจ้า <c oughs> เห็นไหมระษารีบูรโมกขลานะพระอาโดโนโอยพระเก่งๆเยอะมากบัณฑิตทั้งนั้น <c oughs> มีวันหนึ่งพระเดินทางดินพระอกเดินทุดงแล้วกลับมาแวะวัดประเชศตะวัน สมัยก่อนมันเดินเท้าก็าจะมีโรงนวดเท้ามีอะไรเงี้ยแล้ววัดประเชตวันก็จะมีโรงธรรมเขาเรียกว่าธรรมสภาสําหรับสําหรับในโรงธรรมนี่สาหรับที่จะให้พระนั่งจับกลุ่มกันกลุ่มหนึ่งสามมั่งสีมั่งสามมั่งสี่มั่งเป็นกลุ่มกุมแล้วนั่งคุยกันเรื่องสภาวะเพราะฉนในมงคลสามสิบแปดเราได้ยินไหมข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมมาซากัะชา กาลนะธรรมะชากัจฉาเอตามังคลมุตตะมังการสนทนาธรรมตามการอันเหมาะอันควรเป็นมงคลอันสูงสุดเราก็ต้องมีกันมั่งนะไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องละคร <c oughs> บางคนพอละครอวสานไปสักเรื่องเดินกับบ้านหัวคอตกเซ็งว่าวันนี้ทำไมไม่รู้จะดูอะไรก็ต้องมีสนทนาธรรมกัน นั่นในโรงธรรมสภาของของวัตถุเชตวันจะมีเป็นโรงธรรมสภาพระก็นั่งคุยกันไอ้พระกลุ่มหนึ่งเป็นพระลุกขมูล <c oughs> พอท่านเวลาดานจะได้มาคว้าพระเจ้ายิน ใ, ในวัดเนี่ยจะมีหลวงตาอยู่พวกหนึ่งหลวงตาองค์นี้ชื่อหลวงหลวงตาจีหลวงตาจีเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทกว้างขวา ง, วางเป็นคนในพื้นที่เป็นผู้มีอิทธิพลมาบท เห็นไหมมีอิทิพลมาบวชประข้ามานถึงวัดก็สนิทกับเจ้าวาดสนิทกับเลขาทีนี้ก็เดินกลางหลวงตายีนี่แต่งตัวห่มว่าเงี้ยพระก็นั่งสนทนาธรรมกันแกนก็เดินก็ไปชี้ก็น้นชี้ก็นีน้จ้องพอ ม, มีพระมาจากข้างนอกต่างถิ่นมาอาคารตุ ก, กะจอดมานะเป็นนั่งเหมือนกับเป็นแบบใหญ่ที่สุดในศาลานั้นอนะ่ะจริงๆเป็นพระเพิ่งบวชปรษาน้อยนะไอ้พระพวกนั้นเข้ามาถึงก้มหัวลงกราบ กราบแล้วก็ยกมือข้างเดียวรับไหวเ้าอย่างเงี้ยทั้งๆที่ เ, เองภาษาหน่อยของเขานะปุ้มนั้นก็เข้าใจว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ก็เลยถามมาประเด็นพระคุณอารมณ์ของวิปัสสนามีอะไรบ้างก็ผมนี่ไปอยู่ในป่าไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้ศึกษาขอกราบเรียนถามหน่อยเถอะไม่รู้ก็ไปข่มเขาอะไรนี่พวกคุณ น, นี่มาจากข้างนอกแท้ อากาตุกตาเป็นยังไงยังไม่รู้เรื่องจะถามนู่นถามนี่หาเรื่องคมเขาแท้จริงอะตัวเองไม่รู้ไ อ, อ, อ, อพวกคุณก็รโอ้ยเราถามผิดคนใช่แล้วแล้วก็ถามท่านกี่ภาษาแล้วก็บอกรู้ภาษากันว่าไอานี้ภาษาน้อยกว่าพระพวกนี้ก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้า พระนี่ก็เดินตามพระพวกนี้ไปเพื่อที่จะไปโต้แย้งกับพระพเจ้าพระพวกนี้ไปเล่าพระพเจ้าฟังพระพุทธเจ้าชี้เอยตอนที่พวกเขาเข้ามาเธอได้บอกเขาไหมว่าโรงนวดเท้าอยู่ตรงไหนไม่ได้บอกพระเจ้ากา น, นั่นคือความผิดของเธอเมื่อเธอเขาเมื่อเขาเข้ามาแล้วเธอได้บอกเขาไหมว่าที่พักอยู่ตรงไหนไม่ได้บอกพระเจ้ากานั่นคือความผิดของเธอพระเจ้าชี้โทษตรงตาเนี้ย แ้วกยก็นั่งเสร็จพระพวกนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสำนักพระเชตวันยหอ่โตเต็มไปด้วยนักปราชญ์ขนาดนี้ยังมีพระอย่างนี้อีกหรอ <laughs> พระพุทธเจ้าเลยจัดพุทธพจน์ ท, ทินตมากล่าวให้ฟังเมื่อตะเ ก, กียยาวะชีวัมิเจบาลบันฑิตังปริจุปริโสสตินัโสธรรมวิชานาติทัพพิสุประระสัญยถา คนโง่แม้อยู่ใกล้บัณฑิตตลอดชีวิตของเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ทำอันใดได้เหมือนกับทัพพีที่ไม่มีวันจะรู้รสของแกงนั่นแรงมากนะะแล้วพระเจ้าก็ยกตัวอย่างเอตดมายิงนะว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นปเฉพาะตอนนี้นะอุทายีนี่ไม่ใช่เป็นตอนนี้นะสมัยก่อนแต่ละพบแต่ละชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ นั่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนอบรมเจริญสติของเราไว้แข็งแรงไม่อย่างนั้นนิสัยสันดานไม่ดีของเรามันก็จะพาเราไปอีกไม่ทุ้ส ก, กิพบกี่ชาติอ่ะที่เราขี้โกรธขี้โบโหอิจฉาริษยาขี้นินทาเป็นอะไรต่างๆสันดานไม่ดีทั้งหลายในใจของเราจงรู้ไว้มันไม่ใช่มีตอนนี้อย่างเดียว มันนำพาเราไม่รู้สักกี่พบกี่ชาติและถ้าเราไม่จเจริญสติฝึกฝนให้มันกั้นสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตเราก็จะถูกมันชักลากถูไปอีกไม่รู้ส ก, กี่พบกี่ชาติไม่มีรู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเข้าใจไหมนั่นแล้วก็อย่าอคาติเข้าใจว่าตัวเองดีอย่างเดียว นี่แหละถึงบอกว่าถ้าเราปลูกต้นสติตัวนี้ฝึกฝนอย่างถูกวิธีอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีอาหารของสติเข้ามาทีนี้ทุกอย่างที่เราไปเนี่ยมันก็จะมีอาหารของสติเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะค่อยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอแต่ที่แน่ๆมันต้องภาวนาไม่ภาวนาสติไม่เกิด สติที่ถูกต้องไม่เกิดถ้าสติที่ถูกต้องไม่เกิดมันใส่อาหารลงไปแล้วเป็นยังไงต้นไม้ที่ไม่ได้เขียวชะอมเหีย่ยวแห้งเฉาตายไปแล้วดีไม่ดีรากอยู่ข้างบนยอดอยู่ข้างในดินเรารดน้ําใส่ปุ๋ยก็ไปมันจะได้ไหมไม่ได้หรือภาชนะที่มันรั่วก้นเราจะรินน้ําใส่ไปเท่าไร่เท่าไหร่มันจะอยู่ไหมหรือภาชนะที่มันคว่ําอยู่ เราจะใส่น้ําใส่ไปเท่าไร่เท่าไหร่มันจะอยู่ไหมไม่อยู่หรือภาชนะที่มันสกรปรกเละเทอะเราเอาน้ําดีๆใส่ลงไปมันจะได้ไหมไม่ก่อไปด้วยประโยชน์เหมือนกันมันจะต้องตูปลูกต้นสติที่ชื่อว่าสติปัฏฐานขึ้นมาตามหลักวิธีของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราฝึกฝนกันมานี้บ่อยๆบ่อยๆพราอเรามีต้นนี้ขึ้นมาต่อไปที่เราเคลื่อนไหวเป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ทุกอย่างทั้งหมด เมื่อสรุปออกมาเป็นข้อคิดแล้วมันจะเป็นอาหารของสติพระเจ้าถึงบอกว่าโยนิโซมันสิกาโรสติสะอาหาโรโหติโยนิโสมานสิกาคือข้อคิดดีๆเป็นอาหารของสติและสติที่มีอาหารเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็จะชื่อว่าสติมาเคยได้ยินกันว่าสติมาใช่ไหมสติมาเป็นภาษาบาลีนะแต่เราอย่าไปเข้าใจว่าพอสติมาแล้วเป็นภาษาไทย ระบอพอสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดปัญญาหนีนี่เป็นภาษาไทยนะสติมานี่แปลว่ามีสติมีสติสตเอาละบ่ายมงตรงท น, นี้เราก็จะภาวนากันอีกสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แล้วจากนั้นเราก็จะสวดบวุตรถวายพระพรร่วมกัน